นนองแดงเฮิ่เรือผีคางลมอยู่เกาะมุยนูนองพอลมเงียบผีต้องแคบ่าเรือข้ามเปตรัชปลามึกที่นนองแดงสังตอนนี้ผีทำหวากไปกับเรือวอลเลวให้น้องไปรับได้ที่ป่านปลาหน้านนองหน้า นมริ o n r a